ธรรมยังอชาติกาปะทะปาทังพนามเตอาณาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาจินานาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว อารมัญจริยาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันวิจัยกงมจันมูสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงยูราเมรยมัชฌะมาทานาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลืมตุลาและไยอารเป็นที่ตั้งของความประมาิวิการะโวชนะเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโกคอาหารในเวลาวิกา นจาจักีทวาติตาวิสุขัสสนาหาราคันทาวิเลปานาัาหารณะมันาาานาวิภูสนะท า, า, า, านาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเป็นจากการข้อนำการกับเพลงกานนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นข้าสึกต่อผู้ตน การท่ารงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องปธธอระทานโสดาสยะมาหาสยาาเว ร, รมนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ท่านธรรมยังทวัดติงสาการป่าทั้งพนามาเดอนนาิมันจะมิงกายในร่างกายนี้มีเนสานผมทั้งหลายโลมาผนทั้งหลายนาคาและทั้งหลาย วันตาวัทั้งหลายตาจน้ำแงซังเนื้อนารูเห็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิจาเยื่อในกระดูกวาครังไย มาตายางหัวใจยาการังตากฮิลมากัางฟังปิดปีหากลางมังป่าฟาซังกอดลานังลำไส้ลันตาคุนันงนนำนนำลำไส้สุด โอทาริยังาหาในคเพภะกาลิยังจาระปสังนาลีเซมังเเรอปุอโลหิตัง าน้ำรึหลอกก้อมัวตางนามูดมาชักแกงมาชัลุงกางเยื่อมันจะมองในตลกศีรษะอีตีดังนี้เลยันทำมยังเคมาเคมาสรณะอีปิกาคาภาโย มาเมตอาวเวจาระนัญช um ิปัปปานิวนานิจาอารามาุกเจตยานิมนุษย์สบายตาชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบางป่าไม้บาง กลางและลขเจดีบ้างเป็นสารนะเลตังโคสารนาเกเมเลตังสารนาภุทมังเลตังสารณามาัมมาสัาะทุกขาปมุจจตินันไม่ใช่สารณาอันกรเสเลยนันไม่ใช่สารณาอันสุขสุด เอาอาศัยสารณ า, านักแล้วย่มไม่พ้นจากทุกขตั้งตัวได้โยจาตุตัณจะธรรมันจาสงคัญจะสาราังกาโทญาติอาริยสัจญานิส ม, มับปัญญายปัสสติ่วนผู้ใดถือเอาพระบุตรธรรมพระสง์เป็นสารณะแล้ว เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันยอบทุกขังทุกขสมุปปัตังทุกขะสัจจะติกมังอริยัะทั้งทิ่กังมคังทุกขูปสจะมค า, ามินางคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความข้าวล่วมทุกเสียได้ และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเพื่อถึงความรังสุขเอตังตัสารนังเกมังเกตังสารนามุธมางเอตังสารนามังขมัสสะปะทุกขาปมุจจะตินั่นแหละเป็นสารณาอันเกษมน่านเป็นสารณาอันสูงสุด เอาอาศัยสารณะนั้นแล้วยอมพ้นจากโทษตั้งควงได้ปัชิมวา 9, 30, มมททวาท์ครับหน้าสามสิสามทธรรมยางปชิมาปุทโววาทปาทังปนามาเสอนนาธานิภิกเวห า, ามันตจยากีวะดูก่อนขขอที่สุทั้งหลายปาท เราขอเตือน ท, าารราาท่านทั้งหลายว่าปายธรรมาสังฆารังทังปานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาพมาเทนาสังปาเทนาท่านทั้งหลายลงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกิด กายัาถาคาตัสสาปชิมาวาจาที่เป็นระวาจามีในครั้งสุดท้ายของราถาคากยาสัพเพสังฆาราอนิจยาสางกังครคือร่างกา ย, ยจิตใจแค่โลกตามนามตามธรรมหมดทั้งปิณ มันไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วจาไปดีแล้วหายไปสาเพสังขาราทุก้าสัมคางคือร่างกายขิดใจและรูปํามนามตา ม, า ม, า ม, มทั้งหมดทั้งสิ้นมานเป็นทุกคนยญ้าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป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 ชีวิตเป็นของไม่ยังยืนตุบาลมรณะความตายเป็นของยั่งยืน อ, อาวสัมมายาภิฏภพังผ่านเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะภาาริโยสานังเมกิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชอบ ชีวิตตังเนอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมรณะเนียตยตาความตายของเราเป็นของเทีย่ยงว่าตาควรทีจ่จะสังเวทายังกายโยร่ามกายนี้อาชีรัง มีได้ลังอยู่นานอเนาเปตาปิญญาโนรันางปราศจากวิญญาณชวโตัอันเขาดิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจักนอนทักป่ะเวิงซึ่งเป็นดินปาดิ่งปา ร, รังอีวา ประดูจทางว่าต้นไม้และต้นพืชนิรัตังหาประโยชน์ได้นั่งสมาธิครับเวลานั่งสมาธิก็ปรับไว้ๆหน่อยนะครับปิดหนังสือปักแล้วนั่งเลยมาสังเกตดูใจมันจะยังค้างอยู่ดูลมไปนิดๆย จากนี้ไปถ้าท่านได้ยินเสียงระฆังให้ท่านกลับมารู้ลมกดน้ำเย็นรับหน้าสี่สิบเอาเฉพาะบทที่หนึ่งกับสี่นะครับ หนึ่งแล้วข้ามไปสีเลยท่านธรรมยางอุตตนาติธานาธาทายม์นามาติยินนากุญญคามมนารวยบุณณีติทิฏายภูปัญจยาคุณุตระาภูปัญจคุลธ อาจารยูปาการราชาและอาจารย์ผู้เกลดอุ่นมาตาปิตาชยาสกาทตามพ่อแม่และพวงญาติตูดิโยจันธิมาราชาสูจันเวราชาผู้นวันตาณาปิชาผู้ทรงคุณหรือสูงชา พระ ม, มาราจาินทาจาระมณและอินทราโลกบ า, าลาจาเทวตาทั้งด้วยเทพและโลกาบาลยะมมมิตามนุษตาจายอ ม, มารากนุษมิตรมาจัตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จงราน สาเปตชาสทุขิุ้ตูขอให้เป็นสุขตาหทุกตัวน้าอย่าทุกตนควรญาณิปักตาทิเมคุณของที่ฆ่าทำจงด้วยทำหน่วยสุขกัคนโตข้างจาติวิตังเลงตูให้สุขสามอย่างลน้นทีป่ปางปาเปถวมตัง ให้รู้ถึงนิพพานการที่มีนาพุญากาเมนาด้วยบุญนีที่เราทำที่มีนาอุทิเซนาจาและอุทิศให้ผู้ตัดที่ปางจุลเปเจเวะเราคันได้ถึงการตัดตันสุสนปตาในเชตานาน ตววตัณหาอุปาทานเยตันต์เหียาธรร ม, มาอี่ชัวในดวงใจยาวานิพันโต ม, มักว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะกายวะมาลายสิ้นจากสันตายาสาจาตุภเวภเวทุกทุกภพที่เราเกิด โยโยคิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติชัมปัญญาอันประเสริฐตะเลโกวิยามีนารอมท้งความเรียนเลิศเป็นเครื่องปูติเละท้ายภาธาลาปัญนโนกาจังโอกาสยาพึ่งมีแก่ ม, ม, มู่มารทินทั้งหลายการุณยวิเยจุเม เห็นจ้องแระตุสรายทำลายล้างความเวียงจงพู้ตาทิภาวโรนทรท โ, โรน ท, านาทาราผู้ถูกบวราธรมโมนาโทวาุตสมองตาธรรมที่คืนผู่ลมนาโทปเจกับผูทโทจ้าะาปเจกับผู้ตสม สัมโคนาโตอารอมามังโทพระสงค์ที่บุงพยองเทตโทตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพทันมาโรกาสราปันตุ ม, มาอพมุมาน์ยะไดจอมภาสาคุณ ญ, ญาณุภาเวนาด้วยเหตุคุนทังสิดป้อง มาโอกาสสัมาปุมาเปิดโอกาสแกมเครับครับลุกยืนะครับเป็ีนไอเดียบทหน่อยแล้วก็เก็บนักเรียนสวดม ส่งต่อไปด้านข้างแล้วกันนะดิ่มไฟตรงไหนก็ได้ครับจะได้เห็นจอในหอธรรมเหลือไฟสักครึ่งหนึ่งก็น่าจะพอหากวันนี้สมมติว่าเราเป็นคนที่ตาดีนะครับแล้วก็เห็นพระทิตเห็นพระจันทร์ อยู่เป็นปกติแต่คนปุกพันล้านคนทั้งหมดเขาตามบอกเขาไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเขาไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแล้วไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีให้ท่านทั้งหลายออกไปบอกคนทั้งหมดว่ามันมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์อยู่ท่านจะพบความจริงว่า คนตาบอดกลุ่มแรกจะมอคุยกันแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงฉันไม่เคยเห็นถ้ามันมีจริงฉันต้องเห็น เ, นเธอเห็นไหมไม่เห็นคนกลุ่มแรกที่ตาบอดไม่รู้ได้ซ้าว่าตัวเองตาบอด คนกลุ่มที่สองบอกว่าฉันก็เห็นแต่มืดๆนะเรามองไม่เห็นมันจะมีคนเห็นได้ยังไงฉันว่าทุกคนมันก็บอดเหมือนๆกันนะ่ะฉันไม่เชื่อว่ามีคนเห็นมันคงบั่วขึ้นมาตังพูดขึ้นมาเองแต่ถ้ามันมีจริงเราต้องพิสูจน์ได้สิ ท่านออกไปเจอแบบนี้ท่านก็คงบอกว่าเอาเถอะพิสูจน์เถอะนะจะพิสูจน์ยังไงก็ได้จะออกไปยืนกลางแจ้งจะทํำยังไงก็ได้เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าก็ของมันมีอยู่ถ้าพิสูจน์จริงๆมันต้องรู้เองแต่พอหลังจากคนตาบอดพิสูจน์ว่าต้เห็นด้วยตาของฉันนะงั้นฉันไม่เชื่อรอก็เอาเถอะแล้วเขาก็สรุปผลว่ามันไม่บี ท่านทั้งหลายที่เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่ทุกวันจะทำยังไงต่อข้อหนึ่งไปดีกว่า้อเนี่เมื่อมันไม่เห็นมันไม่สนใจจะดูจะไปอยู่ทำอะไรข้อที่สองได้โปรดเถอะพี่บอดพี่ช่วยพี่สูตรหน่อยเถอะนะพี่จะได้รู้ว่ามันมีอยู่จริง ข้อที่สกรรมของมันวันนี้ถ้าท่านเข้าใจความรู้สึกนี้ท่านจะเข้าใจความรู้สึกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในวันที่ท่านตรัสรู้ทําไมจึงเกิดการอาราธนาที่ว่าเท้าสหบดีพรมมาาราธนาธรรม ถ้าเป็นพวกเราคงถอนหายใจว่าจะทำยังไงให้คนตาบอดได้รู้จริงๆว่าพระอาทิตย์มีอยู่นะคนตาบอดทั้งหลายกลับกลายเป็นปรามาสแล้วก็ตอบว่าแล้วก็บอกว่าถ้าเก่งจริงต้องทำให้ฉันรู้สิขอประทานโทษเะคนที่เขาตาดีแล้วก็เห็นพระอาทิตย์กับคนที่ไม่เห็น มันกรรมของใครกันแน่อาชิญนนั่งครับถ้าพระองค์รู้ทางออกจากทุกข์แล้วแต่คนตาบอดทั้งหลายยังไม่รู้แล้วก็บอกว่าเก่งจริงทำให้ฉันรู้สิมันกรรมของใครกันแน่ ลองดูภาพนี้นะครับคนที่ออกไปจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับท่านจะเห็นภาพนี้ดูเหมือนทั้งเอียงทั้งเอ็งเนี่ย น, นะที่ท่านต้องเชื่อตาของท่าน ตาของท่านเคยบอกอะไรให้มันถูกถูกจริงๆทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าผมบอกว่าโต๊ะตัวนี้ท็อปของมันเนี่ยขนาดเท่ากันไม่มีทางเลยที่ท่านจะเชื่อ อันหนึ่งทั้งผอมทั้งยาวอีกอันหนึ่งทั้งสั้นกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรผมถึงบอกว่าตาของท่านเนะชื่อได้แน่แลไอ้ที่ว่าต้องเห็นด้วยตาเนี่ยตาเนี่ยนะเราจะมาดูกันหน่อยคืนนี้ถ้าผม ตั้งคำถามขึ้นมาว่าก่อนที่จะไปถึงคำถามเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งก่อนพวกเราคงคุ้นเคยกับการตบยุงหรือเห็นคนตบยุงถ้าท่านไม่ได้ตบท่านถือศีลก็คงจะเห็นคนตบยุงกันเยอะยะวีกัดมาาตบพว คนเหล่านั้นก็มักจะบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาไม่เจตนาก็ไม่บาปใช่ไม่เจตนาไม่บาปผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเจตนาเป็นตัวกลาแต่ปัญหาคือไม่เจตนาจริงเหรอเรามาสโลโดูมาสโลโมชั่นดูกันหน่อย เสียงวีกระทบหูใจค่อยคขุค่นมากขึ้ น, นเรื่อยเรื่อยยิ่งวีนานวีใกล้ใจยิ่งขุ่นมากขึ้ น, นเรื่อยเรื่อยโทสะเริ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นเรื่อยเรื่อยจนเป็นอาฆาตพยาบาทเริ่มสอดใส่ไล่ล่านะพอมันเกาะตอนนี้เนี่ยฝากาขยับเลยเหมือนกาน้ำตั้งบนเตาไฟน้ำเริ่มกำลังจะเดือดฟ้ากาขยับฝ้ากาขยับมือขยับ พอเดือดพื้ก็ปังมันดูดจืดก็ปังเลยถ้าเราสโลโมชันดูตั้งแต่ตน้นจะเห็นว่าโทสะเริ่มประกอบมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจะโกรธงุดงิดตำคาญเป็นอาฆาตพยาบาทแล้วในที่สุดก็สั่งค่าเลยอย่างนี้อย่างว่าไม่เจตนาพอเห็นความจริงอย่างนี้เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่แล้ว มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นข้างในลราเราไม่รู้ถ้าผมตั้งคำถามว่าผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตบาปไหมบาปไหมครับบาปไหมครับบาป มีคนบอกว่าบาปมีคนบอกไม่บาปไหมครับเสร็จล้วสิภูิภากษางนา น, นี้เพราะปกติจะมีคนบอกว่าไม่บาปถ้าถามว่าทำไมไม่บาปจะได้คำตอบเหมือนๆกันคือเขาทำตามหน้าที่เอาละเรามาดูเรื่องนี้กันแบบจริงๆ ผมถึงบอกว่าหลักสูตรนี้นะจบหลักสูตรเมื่อไหร่คุณไม่ต้องถามใครอีกทุกอย่างเป็นความจริงเมื่อไหร่คุณเข้าใจสัจจะความจริงสัจจะความจริงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอีกคุณไม่ต้องถามใครอีกเลยทั้งชาตินี้ว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปแต่ผมจะตั้งคำถามทิ้งไว้ก่อนก่อนที่เรื่องนี้จะจบว่า ถ้าบอกว่าทำตามหน้าที่ผมจะแทรกเข้าไปนิดเดียวว่าแน่นะเรามาดูเรื่องนี้ด้วยกันนี่เป็นการบรรยายในหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาผู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาเรื่องง่ายๆเลยที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่แหละ ที่บอกว่าต้องเห็นด้วยตาเนี่ยสีเขียวข้างบนกับสีเขียวข้างล่างเป็นเขียวเดียวกันในใจท่านเริ่มต้านๆแล้วคนทั้งสามคนสูงเท่ากันซึ่งผมรับประกันได้ว่าเอาไม้บรรทัดมาวัดยังไงก็เท่ากัน สี่เหลี่ยมนี้ไม่เบี้ยวในใจก็เริ่มรู้สึกต้านๆเหมือนกันสี่เหลี่ยมตรงกลางที่ท่านเห็นสีขาวเป็นขนมเปรีปูนที่อันบนสีอ่อนกว่าอันล่างความเป็นจริงเป็นสีเดียวกัน แล้วไม่ใช่มันเกิดขึ้นเฉพาะบนจอนะครับผมลองเอากระดาษโปสเตอร์มาตัดแบบนี้จริงๆแล้วให้คนสิบคนนั่งดูทุกคนยืนยันว่าเห็นอย่างนี้จริงๆทั้งๆที่มันเป็นสีเดียวกันเส้นสีแดงสองเส้นนี้ยาวเท่ากันครับมนุษย์ใช้วิธีสัมผัสจิตใช้วิธีเปรียบเทียบ ก, กระบวนการของสมองมนุษย์ มีเออเลอร์มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าท่านจะเชื่อแค่ตาของท่านเห็นทีจะลำบากแน่นะครับเพราะว่ามันไม่เคยบอกความจริงกับท่านทั้งร้อเอร์ซเลยเรื่องราวที่ผ่านๆมาเนี่ยบอกอะไรให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมได้บ้างยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่ง ย้อนหลังไปเมื่อปี2504เปิดไฟในหอธรขึในแพทยอาจินบุญยเกตเปิดแค่ขรึ้นเดียวครับผมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงในขณะนั้นนะครับท่านป่วยเป็นโรคไมเกรนแล้วก็ป่วยเป็นโรคไมเกรนขนาดแบบค่อนข้างรุนแรงด้วยเป็นมานานนานมากจึงเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชขณะที่เข้าไปที่โรงพยาบาลสิริราชก็ได้อ่า ไปกับภรรยาแล้วก็พยาบาลที่ติดตามไปจากโรงพยาบาลสงไปดูแลเมื่อเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วเนี่ยในคืนนั้นเวลาประมาณสามทุกขณะที่ท่านนอนพักอยู่ในห้องท่านเห็นเด็กผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบเดินเข้ามาในห้อง ท่านจึงถามเด็กอ้วนคนนั้นว่าหนูเข้ามาทำไมแล้วหนูเป็นใครเด็กอ้วนก็ตอบท่านว่าหนูตายที่ห้องห้องเี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นในแพทย์อาจินก็จึงพูดทวนคำเพื่อให้พยาบาลแล้วก็ภรรยาที่มาด้วยได้ยินว่าอะไรเกิดขึ้น ทั้งสองคนมองเลิก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอยู่ในห้องแต่ก็กลับไม่เห็นไม่เห็นเด็กอะไรสักคนหนึ่งหมอจินก็จึงบอกว่าเด็กนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆอละยืนอยู่ตรงนี้จริงๆจากนั้นก็บทสนทนาก็ค่อยเริ่มต่อไปแล้วหนูเป็นลูกของใครทําไมถึงมาหาคุณลุงที่นี่เด็กก็ค่อยเล่าประวัติของตัวเองว่าเป็นลูกของใคร เป็นหลานของเจ้าพระยาชื่ออะไรอะไรเด็กคนนั้นเล่าให้ฟังว่าหนูเสียชีวิตที่ห้องห้องนี้ด้วยโรคอ้วนหลังจากหมอจินได้ยินได้ฟังก็จึงถามเด็กอ้วนว่าแล้วหนูเข้ามาทำไมเด็กก็บอกว่าเพื่อนของหนูเขาอยากพบคุณลุงหมอจินยิ่นงงเข้าไปใหญ่ แต่ก็บอกว่าเอาสิถ้างั้นหนูไปชวนเพื่อนของหนูมาเด็กอ้วนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูกลับมาแล้วเด็กอ้วนก็ไปแต่ไม่ได้เปิดประตูเดินออกไปเฉยๆหลังจากเด็กอ้วนออกไปแล้วเนี่ยทั้งหมออาจินแล้วก็ภรรยาและพยาบาลก็เริ่มนั่งมองหน้ากันหมอจินก็บอกว่า ฉันเป็นหมอฉันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันมีสติสมบูรณ์หลังจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆเคลิมหลับไปห้าทุ่มหมอจินสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีใครสักคนมาอยู่ใ ก, ใกล้ๆเพราะหมอจินลืมตาขึ้นมาได้พบเด็กอ้วนยืนอยู่ข้างเตียงอีกครั้งหนึ่ง<ไ>เด็กอ้วนก็บอกว่าคุณลุงเพื่อนของหนูมาแล้ว เขารออยู่ข้างนอกหมอจินก็บอกว่าเอาสิหนูไปเรียกเพื่อนหนูเข้ามาเด็กอ้วนก็เดินออกไปแล้วก็พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหน้าตาน่ารักทีเดียวหลังจากนั้นพยาบาลแล้วก็ภรรยาที่นอนอยู่ในห้องก็เริ่มได้ยินแล้วก็รู้สึกตัวตื่นกันขึ้นมาเด็กก้วนก็บอกว่าถ้างั้นหนูขอไปก่อนนะ แล้วก็เดินออกไปเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักที่เดินเข้ามาตอนหลังจึงเดินเข้ามาหาหมอจินแล้วยกมือสวัสดีแล้วก็บอกว่าคุณพ่อหนูชื่อพิมพ์วดีหมอจินมองหน้าพิมพ์วดีแล้วก็ถามว่าทำไมหนูจึงเรียกพ่อว่าพ่อพิมพ์วดีบอกว่าเมื่อชาติที่แล้ว หนูเคยเกิดเป็นลูกของพ่อแต่ชาติที่ผ่านมาเนี่ยหนูเสียชีวิตที่ตึกเด็กตอนอายุสิบสองขวบด้วยโรคไข้เลือดออกทุกครั้งที่พิมพ์วดีพูดอะไรหรือคุณหมออาจินก็จะพูดทวนคําทุกครั้งเพื่อให้คนในห้องเนี่ยได้ยิน พอดิมพ์วดีเล่าให้ฟังว่าเขาเสียชีวิตที่ตึกเด็กที่ห้องห้องนั้นวันที่เท่านั้นเท่านั้นหมอจินก็จะพูดทวนคําของพิมพ์วดีเพื่อให้มีการจดบันทึกลงไปบทสนทนาก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆทุกคนรู้สึกงงมากคนที่อยู่ในห้องยกเว้นหมออจินซึ่งเป็นคนเห็นทั้งสองคนมองซ้ายมองขวาก็าไม่มีใครในห้องแต่เห็นคุณหมออจินพูดคุยกับสิ่งที่เขามองไม่เห็น แต่พยาบาลก็จดบันทึกเอาไว้ตลอดเวลาพิมพ์วดีก็ถามคุณหมอว่าพ่อพ่อปวดหัวมากใช่ไหมคุณหมอจินก็ตอบว่าใช่พ่อปวดหัวมากๆเลยพิมพ์วดีก็เอามือไปสัมผัสบริเวณที่คุณหมอจินเนี่ยเป็นไมเกรนที่ปวดหัวมากอาการของไมเกรนค่อยๆทุเลาลงทุเลาลงจนค่อยหยุดช่วง แล้วพิมพ์ดีก็บอกคุณหมอจินว่าถ้าพ่อปวดหัวมากให้เรียกหนูนะหนูจะมาช่วยแล้วพิมพ์วดีก็ขอตัวไปก่อนก็เช่นเคยเดินออกไปก็ไม่เปิดประตูออกไปเฉยๆทั้งสามคนก็เริ่มมองหน้ากันอีกครั้งหนึ่งหมอจินก็บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อพิมพ์วดีเช้า ว, วันรุ่งขึ้น พยาบาลที่จดบันทึกเรื่องเราเอาสิ่งที่ตัวเองจดบันทึกลงไปเช็คที่แผนกทะเบียนของโรงพยาบาลซีรีราหลังจากตรวจสอบเสร็จก็กลับขึ้นมารายงานคุณหมอแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จดบันทึกลงไปมีอยู่ในทะเบียนของโรงพยาบาลซีรีราจริงๆเด็กอ้วนคนนี้ตายด้วยโรคอ้วนในห้องที่เรากาลังพักอยู่ เมื่อปีพศออที่เด็กพูดถึงส่วนพิมพวดีตายอยู่ที่ตึกเด็กเป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนั้นเป็นจริงตามที่พิมพวดีพูดทุกประการหมอจินเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องที่ตัวเองได้พบในคืนนั้นเมื่อคือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงพอเริ่มเห็นหลักฐานที่ค่อยๆ ย, ยืนยันโผกมา จากนั้นเวลาคุณหมอจินปวดหัวก็จะเรียกพิมพ์วดีพิมพ์วดีก็จะมาช่วยเอามือมาสัมผัสบริเวณที่คุณหมอปวดหัวก็เป็นอย่างนี้มาสักระยะเนึ่งจนกระทั่งหมอจินเริ่มถามพิมพ์วดีหมอจินสงสัยแล้วก็ถามพิมพ์วดีว่าพ่อเป็นอะไรทำไมพ่อถึงปวดหัวมากขนาดนี้พิมพ์วดีตอบว่า มันเป็นกฎแห่งกรรมหมอจินเริ่มเถียงบอกว่ากฎแห่งกรรมอะไรกันชีวิตของพ่อตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี่ยเท่าที่จำความได้ไม่เคยทําร้ายใครเลยเป็นหมอก็ช่วยเหลือผู้คนมาตลอดแล้วจะไปทําร้ายใครให้มันมีกฎแห่งกรรมอะไรพ่อไม่เข้าใจพิมพ์วดีก็จึงตอบต่อไปว่ามันไม่ใช่ชาตินี้ เมื่อสมัยรัชกาลที่สามพ่อเกิดเป็นราชมันหมอจินจึงถามพิมพวดีว่าอะไรคือราชมันพิมพวดีก็อธิบายให้ฟังว่าราชมันคือผู้ที่ทำการสอบสวนนักโทษเมื่อมีคนนำนักโทษมาส่งให้อายการอายการจะสอบสวนในเบื้องต้นและจะส่งต่อให้ราชมันราชมันจะทำการสอบสวนต่อไป เหตุการณ์ในวันนั้นมีชาวบ้านสิบกว่าคนจับผู้ชายคนหนึ่งตัวดำกำยำล่ำสันแล้วก็หัวหยิกพิมดีเล่าไว้อย่างละเอียดเลยชาวบ้านทั้งหมดยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าเด็กตายแล้วก็นำมาส่งให้ทางราชการอายการรับตัวของผู้ชาย ผู้ต้องหาคนนี้อายการรับตัวเสร็จก็ส่งต่อให้ราชมันทำการสอบสวนในวันนั้นผู้ทำการสอบสวนคือพ่อดด เป็นสิ่งที่เขาทำมาเองมอจินเริ่มสลดใจกับสิ่งที่ตัวเองพลาดพลังลงไปแต่ถึงวันนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คนก็ตายไปแล้วแล้วก็ผ่านมาหลายชาติแล้วด้วยจากสมัยปัจจุบันจนถึงรัชกาลที่สามก็ยาวนานทีเดียวแต่สิ่งที่ทำไว้กฎแห่งกรรมไม่เคยส่งผลผิดพลาด แล้วอะไรที่ทำไว้ต้องรับไม่มีผลใดไม่มีเหตุเป็นที่มาพิมพ์วดีจึงได้บอกคุณหมอว่าพรุ่งนี้แปดโมงเช้าจะมีคุณหมอเข้ามาพาพ่อไปผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพ่อหมอจิงจึงได้ตอบพิมพ์วดีไปว่าไม่มีการนัดผ่าตัดในวันพรุ่งนี้พิมพ์วดีก็บอกว่าเราคอยดู ีิมวันดึงก็กลับไปทั้งสามคนมองหน้ากันเช้า ว, วันรุ่งขึ้นแปดโมงเชา้ามีคุณหมอท่านหนึ่งชื่อในแพทย์อุดมเดินเข้ามาในห้องหลังจากดูชาร์ตผู้ป่วยแล้วก็บอกคุณหมออจินว่าการรักษาของเราทั้งหมดเนี่ยกลับไม่ช่วยเลยไม่ได้ทำให้คุณหมอมีอาการดีขึ้นเลย วันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะผ่าตัดทั้งสามคนมองหน้ากันเลยพอรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองคาดหวังว่าไม่น่าจะได้ยินเริ่มได้ยินแล้วในแพทย์อุดมพูดต่อไปว่าแต่การผ่าตัดในวันนี้จะไม่เหมือนทุกๆครั้งเพราะเราจะเปิดศีรษะของคุณหมอออกโดยที่ ไม่ให้ยาสลบทุกครั้งที่เราให้ยาสลบคุณหมอเราจะไม่ทราบเลยว่าเส้นประสาทเส้นไหนที่มีปัญหาเราจึงรักษาไม่ถูกจุดสักครั้งหนึ่งเั้นครั้งนี้เราจาเป็นต้องเปิดศรีรษะของท่านออกโดยไม่ให้ยาสลบหมออาจินเป็นหมอเองเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเองไม่ต้องบอกก็รู้ว่าท่านกาลังจะเจอกับอะไร เตียงคนไข้ของท่านถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดทันทีท่านถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดบันทึกการแพทย์ได้ระบุเอาไว้เลยนะครับว่าคุณหมอเนี่ยมีกลุ่มอ่ามีคุณหมอที่รอทําการผ่าตัดแล้วก็พยาบาลเริ่มโกนศีรษะในส่วนที่ต้องการจะผ่าตัดสักพักพยาอ่าพยาบาลก็เริ่มจับแขน จับขาคุณหมอตรึงเอาไว้เหมือนกับที่เข้าคือขาเข า, เาไว้นะคุณหมอที่จะทําการผ่าตัดได้พูดอย่างติดตลกกับหมอจินว่าคุณหมอคนไหนเป็นคุณหมอจินถ้าเจ็บมากร้องได้เต็มที่เลยนะตํารวจไม่จับแต่หมอจินคขำไม่ออกตอนนั้นคขำไม่ออกแน่เพื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อย ตามบันทึกได้บอกเอาไว้เลยว่ามีดผ่าตัดได้กรีดลงตั้งแต่หางคิวไซน์ผ่านลงไปเรื่อยๆผ่านลงไปเรื่อยๆแผ้ปรีออกคุณหมออาจินกรีดร้องอย่างเจ็บปวดทุกคนช่วยกันกดหมอไว้กรีดลงไปกรีดลงไปจนถึงตำแหน่งที่หมอผ่าตัดต้องการทันทีที่เปิดศีรษะเปิดหลังศีรษะออกมา หมอที่ทำการผ่าตัดกลับชงนเพิ่มขึ้นเพราะแทนที่จะเห็นสิ่งที่ตัวเองคาดหวังกลับเห็นแต่พังผืดเต็มไปหมดแต่หมอก็สันนิษฐานได้ทันทีเลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณหมอจินเองเนี่ยเป็นหมอใช้ยาแก้ปวดทุกขนาดที่มีขายอยู่ในท้องตลาดกันหมดแล้วแต่ไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้เลยก็คงบรรเทาไม่ได้ละเพราะอาการปวดนี้เป็นอาการของกรรม ที่ทำเขาไว้เป็นวิบากที่ต้องรับยาอะไรอะไรก็เอาไม่อยู่เหลือวิธีเดียวที่หมออาจินทำได้คือฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปตำแหน่งที่ปวดเพื่อให้มันชาซะมันจะได้บรรเทาอาการลงไปได้เพราะว่าทนไม่ไหวกับอาการเจ็บปวดทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยไม่เคยใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะแอลกอฮอล์ที่ฉีดทางหัวหรือดื่มทางปาก เมื่อฉีดเข้าไปร่างกายจึงสร้างปฏิกิริยาต่อต้านด้วยการสร้างพังผืดมาเป็นตัวป้องกันตัวเองพังผืดจึงเกิดขึ้นมาปิดผนังทั้งหมดเลยหมอจึงต้องมานั่งเสียเวลากับการจัดการกับพังผืดนี้อีกอย่าลืมนะครับว่าคุณหมอจินไม่ได้สลบนั่งอนอนอยู่แล้วก็ต้องให้ทุกคนทำกับหัวของตัวเองอยู่อย่างนั้น ไม่ว่าจากการเลาะพังผืดการกรีดเข้าไปได้ แ, แต่นอนรอตาปิดปิ ด, ป ด, ป ด, ป ด, ปดร้องก็อยากจะร้องก็ร้องไปมีคนตรึงเอาไว้พยาบาลก็จับเอาไว้อย่างแน่นหลังจากที่เลาะพังผืดออกจนหมดคุณหมอก็เริ่มกระบวนการเจาะหัวกะโหลกเข้าไปเส้นประสาทมันอยู่ข้างในกะโหลกนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผิวผิวนี่ มันต้องเจาะเข้าไปเพื่อเข้าไปที่เส้นประสาทที่อยู่ข้างในข้างใต้หัวกะโหลกทำไว้ต้องรับครับไม่ว่าใครๆก็ตามสิ่งที่ท่านทำไว้ต้องรับแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันนานขนาดดอกเบี้ยน่าจะทบต้นแล้วมันคงไม่รับเท่าเดิมแน่ในบันทึกกล่าวต่อไปอีกว่าหมอเจาะหัวกะโหลกเป็นขนาดเท่าเหรียญบาท ผมจำได้ว่าเหรียญบาทในอดีตนี่ใหญ่กว่าเหรียญบาทปัจจุบันเยอะนะปัจจุบันนี่เหรียญบาทมันเล็กนิดเดียวเหรียญบาทสมัยก่อนที่ผมใช้เนี่ยแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่นั่นแะผมไม่ทราบว่าเหรียญบาทใหญ่แค่ไหนเพราะผมเพิ่งเกิดเจาะเข้าไปเท่าเหรียญบาทเพื่อเปิดเป็นรูให้หมอเข้าไปดูว่าเส้นประสาทอะไรที่เป็นปัญหาพอเจาะเข้าไปเสร็จจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นไหนมีปัญหาก็ต้องเคียวและครับ โอโหทีนี้ไอ้ที่เขี่ยเนี่ยเวลาเราเขี่ยเอาเข็มมาเขี่ยหรือ อ, อะไรมาเขี่ยที่ผิวหนังเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าจะให้รู้สึกแบบหมออจินต้องรอตอนที่ท่านโดนมีดบาดเยอะๆแล้วแผลมันเปิดออกแล้วเป็นเนื้อแดงๆท่านลองเขี่ยใหม่ความรู้สึกยังไม่เท่าหมอจินเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราเขี่ยใน ในแผลที่แดงๆส ด, ๆสดๆเนื้อสดๆเนี่ยมันไม่ใช่เส้นประสาทถ้าเขี่ยเส้นประสาทเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของความรู้สึกเลยแล้วยิ่งมันอักเสบอยู่ด้วยเนี่ยมันเหมือนกับนะทุกครั้งที่เขี่ยนหมอจินจะกรีดร้องอย่างดังลั่นเลยเขี่ยจนกระทั่งหมอแน่ใจว่าตำแหน่งของการอักเสบอยู่ที่ไหน ในบันทึกการแพทย์เขาระบุเอาไว้เลยนะครับว่าตำแหน่งไหนเส้นประสาทเส้นที่เท่าไหร่มีบันทึกเอาไว้หมดนะครับท่านไปหาอ่านได้โยคุตก็เคยพิมพ์เรื่องนี้ออกมาเป็นประจำพอหมอเริ่มรู้แล้วว่าตำแหน่งไหนก็เริ่มทําการรักษาทําการรักษาไปตามกระบวนการจนกระทั่งการผ่าตัดเสร็จสิ้นซึ่งใช้เวลานา น, านมากๆในวันนั้น หมอจินสลบหลังจากทาการผ่าตัดเสร็จแต่ระหว่างผ่าตัดเขาไม่ยอมให้สลบทําไว้ทุกอย่างแทบจะรีวายภาพกลับแต่รุนแรงกว่ารุนแรงกว่าตรงที่ไม่ยอมให้ตายตายไม่ได้ต้องรับให้หมดนะยังไม่ยอมให้ตายหลังจากนั้นเตียงของคุณหมอถูกเข็นออกมาพัก แล้วก็ส่งกลับเข้าไปที่ห้องพักจากการผ่าตัดคุณหมอสลบไปสามวันสามวันผลจากความเจ็บปวดทันทีที่คุณหมอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกหรืออย่างแรกที่ทำได้คือเรียกพิมวดีพิมวดีมาทันทีมองดูพ่อด้วยอาการสลบ แล้วก็สงสารจับใจเอามือวางไว้บนบริเว ณ, ค, ณคุณพ่อที่ผ่าตัดมาเพื่อจะช่วยบรรเทาอาการปวดหมอจินลืมตาขึ้นมามองพิมวดีด้วยน้ำตาคลอเบ้าแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อหมดกรรมหรือยังพิมวดีมองหน้าพ่อด้วยอาการสงสารอย่างสุดซึ้งแล้วบอกว่ายัางโอ้ย หมอจินได้ยินคำว่ายังเนี่ยอยากจะสลบต่อยสักสามวันพิมพ์วดีบอกว่าพ่อจะต้องผ่าตัดไปอย่างเนี้ยอีกสี่ครั้งการผ่าตัดครั้งสุดท้ายจะสิ้นสุดในอีกสี่ปีข้างหน้าสิ่งที่พ่อทำได้ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือทำบุญทาทานอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะ แล้วก็ขอยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดลงไปเป็นสิ่งเดียวที่พ่อทำได้ในตอนนี้นอกนั้นก็ยอมรับผลแห่งกรรมที่ตัวเองทำอาไว้มอจินหลับตาลงแล้วก็ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงจากนั้นพิมพ์วดีก็พูดต่อไปว่าพ่อ หนูจะไปเกิดแล้วนะต่อไปเราคงจะไม่ได้พบกันอีกชาติหน้าหนูจะไปเกิดเป็นเด็กผู้ชายแล้วจากวันนั้นพิมพ์วดีก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเรื่องราวของพิมพ์วดีกับหมอจินเนี่ยมีอยู่ในบันทึกครับท่านสามารถหาอ่านได้ผม เท่าที่ผมจำได้ตอนนี้บนแผงหนังสือในร้านหนังสือก็มีพิมพ์ขายแล้วเรื่องนี้เริ่มะจรกระจายกันออกไปในวงกว้างออกไปเรื่อยๆทุกคนที่อยู่ในเนื้อเรื่องนี้มีตัวตนจริงๆทั้งหมดเลยเกรดเล็กเกรดน้อยเนี่ยมีอยู่อย่างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเกรดที่น่าฟังคุณหมออาจินบุญญเกตเนี่ยเป็นน้องชายของพระนท่านนายกรัฐมนตรีทวีบุญญเกตมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีทวีบุญยเกตเนี่ยได้แวะไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลสิริราชบังเอิญวันที่แวะไปเยี่ยมเนี่ยพิมพ์วดีนั่งอยู่ในห้องพอดีพระนัทา น, นายกเข้าไปก็เห็นน้องชายคือหมอจินนั่งคุยอยู่กับเก้าอี้ตัวหนึ่งเปล่าเปล่าว่างๆก็เข้าไปถึงแต่ทุกคนส่วนใหญ่จะได้ยินเรื่องของพิมพ์วดีกันหมดล กนั่งคุยกันใครจะคุยกับพิมวดีก็จะทูดผ่านหมออาจินตอนนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยกันอย่างปกตินะครับเพราะเรื่องของพิมวดีกับหมออาจินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใครๆในโรงพยาบาลเนี่ยปิดกันให้แทดพยาบาลเนี่ยปิดกันให้แท้ทั้งโรงพยาบาลคือรู้กันหมดนะครับจรกระจายกันออกไปหมดแล้วข่าวในตอนนั้นก็บอกว่ามีผีมาช่วยหมออาจินที่ออกไป แต่ขณะที่นั่งคุยกันอยู่ในห้องสักพักหม อ, อพิมพ์วดีก็บอกว่าวันนี้หนูจะรีบกลับก่อนหนูจะไปรับส่วนบุญส่วนกุศลพอพูดเสร็จหมอจินก็เลยถามว่าหนูจะไปรับส่วนบุญส่วนกุศลอะไรพิมพ์วดีก็เล่าให้ฟังว่าในหลังจากที่หนูเสียชีวิตที่ชาติที่ผ่านมา คุณพ่อคุณแม่ของหนูเขาสร้างพระพราร์ขึ้นมาพระพราร์หนึ่งเป็นสาลาสวดศพที่วัดมกุฏกษัตริย์ตั้งชื่อว่าพระพราร์พิมวดีพระพราร์พิมวดีตั้งอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริย์แล้วเธอก็บอกว่าในวันนี้ตอนเย็นจะมีเจ้านายระดับชั้นสายสะพายซึ่งบรรจุอยู่ในโกรดมา ท, ทําพิธีบําเพ็ญกุศล หนูจะไปรับส่วนกุศลเออพ่อหมายถึงหมอจินถ้าหนูเจอพ่ อ, อถ้าพ่อเจอพ่อของหนูเนี่ยหมายถึงพ่อในชาติที่หนูเพิ่งจะตายผ่านมาช่วยบอกเขาด้วยนะว่าไอ้โคมไฟช่อระยะที่อยู่ในศาลาเนี่ยมีอยู่อันหนึง่งมันหล่นลงมาแตกสามสี่ช่อมีคนยกขาตั้งพวงหลีดเนี่ยขึ้นไปชนหนูรู้สึกเสียดายมากเลย ช่วยบอกพ่อของหนูทีว่าให้เขาไปซ่อมให้หน่อยมอจินก็ถามว่าแล้วแล้วแล้วพ่อจะไปเจอพ่อของหนูได้ยังไงพิมพ์วดีก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขามาเองแหละนะฝากบอกด้วยก็แล้วกันว่าแล้วพิมพ์วดีก็จากไปไปไงไม่รู้อะไปวัดมะกุูดแต่คงไม่ได้เรียกแท็กซี่แนะนะ่หลังจากนั้น พระนท่านนายกเองก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจริงเหรใอเรื่องที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยจริงโทรศัพท์ไปหาน้องชายอีกคนหนึ่งบอกให้ไปวัดมากุฏทีสิไปที่วัดมากุฏแล้วไปดูซิว่ามีพับพลาชื่อพิมพ์วดีจริงหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยลองไปดูซิใครกำลังตั้งศพอยู่ หลังจากนั้นให้เข้าไปในศาลามองดูโคงไฟช่อระยะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยว่ามันเป็นอะไรไหมน้องชายพอได้รับฟังก็ขับรถไปที่วัดมกุฏไปที่วัดมกุูดก็ไปเดินดูศาลาสวดศพทั้งหลายไปพบศาลาศาลาหนึ่งเขียนหน้าศาลาว่าพระพราพิมพ์วดีจึงได้ไปดูที่ป้ายที่ตั้งอยู่ข้างหน้าศาลา พบว่าที่ป้ายเขียนว่าศพที่บําเทนกุศลอยู่ในวันนั้นเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเจ้านายระดับชั้นสายสพจึงเดินต่อเข้าไปในศาลามองหาโคมไฟช่อระยะเห็นอยู่สามโคมเดินเข้าไปที่ข้างหน้าในบริเวณเหนือที่ตั้งศพเห็นมีโคมไฟที่แหว่งแหวงมีช่อระยะหายไปสองสาอัน เป็นชอบคริสตัลจึงไปถามเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าศาลานั้นถามว่ามันเป็นอะไรทำไมโคมไฟไอแหวงแหวงเนี่ยมันถึงหายไปเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าเมื่อสองสาวันก่อนมีคนยกขาตั้งพวงหลีดไปชนจึงหล่นลงมาแตกจึงนำเรื่องทั้งหมดเนี่ยรายงานกลับไปให้พี่ชายคือพระนาท่ทนทวีบุญญเกศฟัง ไม่มีอะไรที่พิมพ์วดพีพูดแล้วไม่ใช่ซักอย่างทุกคนเริ่มรู้แล้วจากวันนั้นมาอีกสองสมวันมีผู้หญิงผู้ชายเดินเข้ามาในห้องพักของหมออจินผู้ชายเดินเข้ามาถึงก็เอารูปสามสิบใบวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงเรียงเรียน ร, รีบกันส0สิบใบแล้วถามหมอจินว่าคุณหมอ เด็กผู้หญิงที่คุณหมออ้างว่าคุณหมอเห็ น, นคนไหนหมอจินก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งเอารูปมาตั้งแล้วก็มาถามแบบนี้หมอจินก็จึงหยิบแว่นขึ้นใส่แล้วก็ขยับ <c oughs> แล้วก็นั่งดูว่าเด็กทั้งหมดสามสิบใบเนี่ยหมอจินหยิบขึ้นมาหนึ่งใบแล้วก็ชูขึ้นบอกว่าเด็กคนเนี้ที่หมอเห็น ทันทีที่หมอจิบหมอจินหยิบรูปของเด็กคนนั้นขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงที่เข้ามาด้วยร้องไห้โฮเลยหมอจินก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขามานั่งร้องไห้โฮอยู่ในห้องพอร้องไห้เสร็จเธอก็บอกว่าเด็กผู้หญิงที่คุณหมอหยิบขึ้นมาเนี่ยคือลูกสาวของเธอเองเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อพิม์วดีโหสกุล อายุ12ขวบเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกตายอยู่ที่ตึกเด็กสมัยเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนมาแต่ดีเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งตอนที่ผมติดตามพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมให้เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากโรงเรียนมาแต่เดี๋ยฟังเป็นนักเรียนชั้นม .1- ม .3 หลังจากการบรรยายจบในวันนั้นคุณครูสองท่านที่พานักเรียนมาเนเดินเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าเคยได้ยินจากคุณครูเฮเลนซึ่งคุณครูเฮเลนเนี่ยเป็นครูฝรั่งอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกศิษย์ของเธอว่าเธอมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อพิมพ์วดีแล้ววันนี้มาได้ยินเรื่องราวที่เล่าให้ฟัง จึงทำให้นึกถึงพิมพ์วดีที่คุณครูเฮเลนพูดถึงอยู่ๆก็มีคุณครูของนักเรียนมาแต่ออกมายืนยันอีกสองคนว่าปีคุณครูเฮเลนเป็นคุณครูของพิมพ์วดีเองก็เป็นเรื่อง like น่าแปลก็เรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังไปก็มีอยู่ในบันทึก เรามาดูนี่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกตรงนี้ก่อนออกไปให้จใจให้อคอก่อนนะเรายังไม่ได้ตอบคำถามที่เราตั้งเอาไว้เลยแต่ที่เราเห็ น, นแน่ๆคือหมออาจินกับนายราชมันนายราชมันก็ทำตามหน้าที่เหมือนกันแต่ทำไมวิบากกรรมจึงท่งถึงหมออาจินจนอว้วก นี่คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองผมถามว่าหมอจินไม่ได้ทำในราชมันเป็นคนทำแล้วทำไมหมอจินต้องรำำับกํา